พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีไม่มีกิจการงานใดที่จะสำคัญไปกว่าการอบรมฝึกขนดวงจิตอันนี้ข้อดวงจิตนี้เป็นใหญ่เป็นประธาน แก่ร่างกายหรือว่าจะว่าแก่โลกอันนี้ก็ว่าได้หากไม่มีจิตตวงนี้แล้วก็คล้ายๆคำว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เพราะไม่มีผู้รับรู้เหตุที่มันจะเป็นโลกขึ้นมาหรือเป็นมนุษย์ เป็นชาติขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยดวงจิตตรงนี้แหละดวงจิตตรงนี้มันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อไรแม่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้พยานของพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ยังทบทวนคืนหลังไปไม่ได้เลย เรไม่ทราบมันเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นแต่เมื่อใดดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าวัตะสงสารนี้เบื้องต้นไม่ปรากฏว่านันนอันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆแต่เบื้องปลายปรากฏ เบื้องต้นนั้นหมายความว่าความเกิดขึ้นเป็นขึ้นแห่งดวงกิจอันนี้นะพระญาณของพระองค์ไม่ปรากฏเลยพระองค์วันที่พระองค์จะตัดสู้นั้นนะพระองค์จึงมาจับเอาปัจจัยของชีวิตนี่พิจารณาไปโดูลำดับ ได้แก่ปัจจัยการสิบสองคือว่าเพราะมีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยจึงเกิดมีสังขารขึ้นแสดงว่าอาวิชชาเนี่ยความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรต่ออะไรขึ้นมาหมายความอย่างนั้น พระองค์มาจับเอาดวงคิดที่ไม่รู้นี่นะอะถึงได้มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายสวยสุขสวยทุกข์อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้ก็หมายเอาขันห้านี่แหละพระองค์มาจับเอาความไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดแก่เจ็บตาย เรียกว่าสังขารก็ว่าสังขารแปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญและบาปว่าว่าง่ายถ้าว่ายากหน่อยก็อวิชชาตันหากรรมอาหาร อาหารนี่เรียกว่าแต่งรูปให้เป็นไปวิชาตันหากรรมอันนี้แต่งนามธรรมคือดวงจิตอันนี้แหละให้มาเกิดในรูปนีุ้นด้าน พขามไม่รู้เนี่ยจึงชื่อว่าเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารคือคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่เรียก ว, ว่าสังขารธรรมเมื่อเกิดสังขารธรรมขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ไปทําดีบ้างทําชั่วบ้างทําไม่ดีไม่ชั่วบ้างกรรมดีและกรรมชั่วเหล่านี้ ก็นำดวงจิตให้ไปปฏิสนธิขึ้นมาเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินเป็นพรหมบ้างตามอำนาจแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่แต่และบุคคลกระทำมา ดังนั้นสังขารท่านยังว่าเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณเมื่อตาหูจมูกเล่นกายมีวิญญาณมันก็ออกมาจากดวงจิตนั่นแหละมันเป็นอาการของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็อิงสัานอยู่ทั่วสารพรางร่างกายแต่ว่า วิญญาณที่มันเฉพาะกิจนั่นมันก็มีอยู่เช่นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมกูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งความรู้ก็ว่าถาารู้นั่นเน วิญญาณเหล่านี้มันออกมาจากจิตเมื่อจิตออกจากร่างอันนี้แล้ววิญญาณก็ดับมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างไฟแสงไฟก็อาศัยดวงไฟเมื่อดวงไฟดับแสงไฟก็ดับเป็นอย่างนั้น นี่ก็ฉะนั้นเวลาคนเราจวนจะตายตาก็มองอะไรไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงเอาแล้วจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเลยลิ้นก็ไม่รู้สึกรสอาหารร่างกายทุกส่วนก็ ค่อยหมดความรู้สึกเข้าไปโดยลำดับลำดับไปก็ยังเหลือแต่หน้าอกนี้เท่านั้นความรู้สึกในเวลาที่จิตยังไม่ออกจากร่างนี้อนพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่า เย็นเสียบไปหมดทั้งตัวเลยบ้านี้อันนี้แหละความเป็นมาแห่งสังขารวิญญาณ น, นามรูปเนยะมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เมื่อมีนามมีรูปแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมกูกลิน้นกายใจหัวใจเน น, นน่ยนะ หัวใจนี่มันก็เป็นอายตนะอันนึงเป็นที่อาศัยของดวงจิตเมื่อมีอายตนะภายในแล้วมันก็มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ ต, ต่างๆซึ่งมันมาเป็นคู่กันกับตา รูปก็เป็นคู่กับตาเสียงก็เป็นคู่กับหูกลิ่นก็เป็นคู่กับจมูกรสเผ็ดรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวต่างๆวันนี้ก็เป็นคู่กับลิ้นสัมผัสคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็ง อะไรวันนี้ก็เป็นคู่กับร่างกายกายนี้เมื่อมีวิญญาณมาอาศัยอยู่ทั่วไปแล้วก็อะไรมาถูกต้องมันก็รู้ทั้งนั้นเลยอันนี้นะท่านเรียวกว่าสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเมื่อมันมีรูปแล้วก็มีจิต วิญญาณอาศัยอยู่ในรูปนี้แล้วก็มีสิ่งภายนอกมาสัมผัสเข้าไปเช่นอากาศหนาวอากาศร้อนอะไรพวกนี้เนะี่ยมาถูกต้องเข้ามันก็เกิดความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้าง อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสัมผัสนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเกิดมาจากสัมผัสให้พิจารณาให้มันเห็นเห็นหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกอันนี้เรานเรียกว่าสัมผัสทีนี้เมื่อร่างกายเป็นปกติ ไม่วิบัติความรู้สึกมันก็ปกติไปสม่ําเสมอไปเราก็เรียกว่าเรามีความทุขที่ี้เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติลงมันแปรโปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อย่างนี้ความรู้สึกของจิตนี่มันก็รุนแรงขมขวัญกไวย ท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนาเนี่ยที่ว่าสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนานะ่ะมันเกิดได้อย่างนี้ถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตอาศัยเวทนาไม่มีเลยเหมือนยังต้นไม้มันมันไม่มีจิตอาศัยอ่ะใครจะไปตัดไปทอนมันยังไงมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ร้องครวญคราง แต่มนุษย์แสัตว์ทั้งหลายที่มีใจครองเนี่ยว่าแต่อะไรมาถูกนิดหน่อยก็เจ็บก็รู้สึกอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเลยว่า น, นี่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ เวงา ม, มากระทบเข้ามันก็เกิดเวทนาอยากจะได้ขึ้นมาเนียกว่าเกิดโสมนัสเวทนาเนี่ยความยินดีอย่างแรงในรูปในเสียงเหล่านั้นทีนี้ถ้ารูปเสียงกิ่นรถอันไม่ชอบใจกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เกิดโทมนัสขึ้นในใจ ไม่พอใจหรือว่าเกิดโทสะคิดประทุสร้ายรูปนั่นขึ้นมาทันทีอันนี้ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาหรือว่าร่างกายวิบัติแปรปวนโรคภัยเบียดเปียนเอากระทบกระทั่งกับจิตยอย่างแรงจิตก็รู้สึกกวนไหวไปมาทุรนทุราย อันนี้ท่านก็บัญญัติว่าทุกขับเวทนาอย่างนี้แหละปัจจัยการปัจจัยของชีวิตนะให้เข้าใจวันนี้เวทนานี่มันเกิดขึ้นแล้วท่านว่าโรคภัยกำเริบขึ้นก็อยากตั้หาความอยากให้มันหายโรคหายภัยมันก็มีทีนี่โอ้ทอํายังไงเนาะถึงจะหายเนาะอยากหายดิพราะว่อ อย่างนี้แหละเมื่อไรน้อยหมอจึงจะมารักษาโรคน Hi ี้ให้หายถ้าเป็นสัมผัสที่ละเอียดอ่อนที่นุ่มนิ่มสัมผัสที่ดีมันก็อยากได้อย่างผ้าที่เนื้อละเอียดดีๆีเห็นก็แล้ว ก็อยากเอามาสัมผัสกับร่างกายนี้อย่างนี้แหละไอตัณหาความอยากมันมีหลายแง่หลายมุมอย่างนี้เห็นรูปสวยๆงามๆก็อยากได้มาชมมาเชยอยากได้มาสัมผัสถูกต้องได้ยินเสียงอันไพเราะก็อยากจะฟังบ่อยๆเสียงนั้นน่ะ ร้องรำทำเพลงถ้าใครร้องไครร้ะจริงดีๆก็เอาแล้วติดใจอยากจะฟังอยู่บ่อยๆนี่แหละ <c oughs> ถ้าได้สูดกลิ่นหอมๆ อ, อันใดมาก็ติดใจอยากจะสูดกลิ่นอันหอมนั่นอยู่เรื่อยไปนั่นแหละรับรสอาหาร อร่อยอร่อยดีมากก็อยากให้ได้รับอาหารอร่อยอย่างนั้นเรื่อยไปกดดิ้นลนสเสวยงหากายในเมื่อได้สัมผัสของละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มมันก็อยากกระสัมผัสอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอยากได้ผ้านุ่งผ้าหม่มเนื้อดีเนื้อละเอียดมานุ่ง ม, มาหม่ม ถ้าได้ผ้าเนื่อยหยาบมาห่มนุ่งก็ไม่พอใจที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะให้สวยงามโออาอะไรตรงอะไรสรพัดแต่ความอยากมันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสที่แบบเป็นปัจจัยให้มันเกิดเวเอนาขึ้นมาความรู้สึกในใจนั่นแหละมันรุนแรงขึ้นมามันอยากได้ ท่านจึงว่าเวทนาเป็นปัจจัยบงังเกิดตัณหานั่นหละตัณหาแันนี้ความอยากมีอยู่ในใจแล้วเมื่อไม่มีปัญญาจัละมันได้มันก็ยึดถือไล้วบบ น, นี้นะยึดถือในความอยากนั้นเพราะว่าอยากแล้วมันไม่ได้สมประสงค์เอมันก็อยากอยู่อย่างนั้นนะ่ยมันก็ยึดถือเอาความอยากนั้นเป็นอารมณ์อยู่ยนั้น เมื่อไดจะได้สิ่งที่เราต้องการหนอมนกับวิตกวิจารอยู่นะั้นไม่รู้จักละไม่รู้จักวางแบบนี้ความยึดถืออันนั้นแหละเป็นตัวกรรมมานนเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลาย ถ้ามันยึดเอาฝ่ายอากุศลกรรมไว้มันก็นำไปเกิดในทุกขติสถานที่ทุกขยากลาบากถ้ามันยึดเอาฝ่ายกุศลไว้กุศลกรรมมันก็นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดที่สุขสบายอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตนะให้ฟากันพี่นามันรู้ เนี่ยท่านยังว่าอุปาทานเนี่ยความยึดถือเนี่ยเป็นปัจจัยบังเกิดพบคือว่าชาติหมหยเอาชาตินี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก ร, รมดีกรรมช่วนนำให้ไปเกิดโลกหน้าท่านเรียกว่าพบพบนี่ไปแต่สวยผลบุญผลบาปเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรสร้างของ้อนนิดหน่อยๆผู้ที่ไปสวยบาปไม่ไม่มีอะไรมีแตส่สวยทุกอย่างเดียวอืมเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรานะ่ะเมื่อหมดเขตแห่งบุญแห่งบาปนั้นลงไปแล้วแบบ่อนี้มันก็ ไปหาที่เกิดใหม่อีกไอ้ผลบุญนั่นน่ะมันหมดลงจริงแต่ว่ารากเงาของบุญและบาปนั้นมันยังอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อรากเงามันมีอยู่ในใจเนี่ยมันจึงพาไปเกิดนั่นแหละสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านถอนรากเงาของกิเลส ต่างๆเหล่านี้ออกจากดวงจิตหมดแล้วคือท่านถอนความอยากความปรารถนาอะไรในโลกนี้หมดแล้วเหยื่ดังนั้นเพื่อเม่มีปัจจัยอะไรนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในพพต้วยพใจสวยสุขบ้างสวยทุกข์บ้างได้ไม่มีเป็นอย่างนั้น เราให้พิจารณาเห็นรูปทางที่เราจะพ้นจากทุกอันนี้นะีก็เพราะมาเพ่งพิจารณาปัจจัยของชีวิตเหล่านี้แหละให้รู้ให้เข้าใจเมื่อไปถึงตรงที่ผัดผัสสะนั่นแหละก็ไปเพ่งให้รู้เท่าผัสสะความสัมผัสความกระทบกระทั่ง ในระหว่างกายกับจิตนี่นหะสำคัญมากทีเดียวมันมาหลงก็หลงตรงนี่แหละวันนี้นะหลงยินดียองหลงยินร้ายไปตามสัมผัสนั้นนั้นมันถึงให้เกิดเวทนาขึ้นมาอยากได้หรือเสียใจหรือหวดดีใจเกินไปหมดนี้นะมัน มันก็เกิดจากสัมผัสนี่แหละเมื่อมันดีใจเกินไปมันก็วันไวเมื่อมันเสียใจเกินไปจิตก็วันไวหาความสงบไม่ได้มันถึงให้เกิดปัญหาความอยากมีประการต่างๆคันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันหายคันว่าใครมาทาให้ มาเบียดเบียนคมเหงตนตนก็โกรธไม่พอใจก็อยากไปตอบโต้มันอยากไปฆ่าให้มันตายเสียก็มีหรือไปนั้นอยากไปทําลายทรัพย์สมบัติภายในมันย่อยยับไปความอยากนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันแผ่กระจายออกไปตามเหตุนั้นๆเหตุอันพายุาให้โกรธ มันก็อยากโกรธอยากทำลายไปทัาเหตุมันมายั่วให้จิตเกิดความรักความใคร่มันก็รักก็ใคร่มันก็อยากได้ของสวยๆงามๆมาครอบครองไอ้จิตเหตุปัจจัยของจิตมันเป็นอย่างนี้แหละใอ้ปากันพิจารณาเอา มันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะมันอยากได้ในในของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่มันก็รู้ว่จะของไม่เที่ยงทางนั้นเอหรือว่ามันเที่ยงมาแต่ไหนบาด้คิดดูอ่ะนั่นเนี่ยมันจงว่าไปแสวงหาได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปก็หมดไป เอาไปแสวงหามาใหม่อีกเงินทองเข้าของต่างนะั้นล้วนแต่เป็นของเม ย, งยังยืนทางนั้นเลยถึงแม้มันจะยังอยู่แต่มีเงินมาอย่างนี้นะเอามาไว้เฉยๆไ ม, ไม่มีประโยชน์อะไรอต้องเอาไปต้องใช้ต้องจ่ายไปจ่ายไปมากก็หมด หมดเราต้องหาไม่เครื่องใช้ไม่สอยรถตาอะไรก็ตามเนี่ยซื้อมาหามาได้เราใช้อาศัยมันเอาไปมามันชำรุดตรงต้องซ่อมแซมต้องเป็นภาระของการดูแลรักษานี่ล้วนตั้งแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยมันถึงเป็นภาระอันหนักนันเนี่ย ที่ดูแลรักษาเมื่อเสวงหามาได้มาแล้วเมื่อเวลามันแตกดับทําลายหรือมันพัดภาจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเสียดายอะไรมันเริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่แหละออกไปร่างกายอันนี้เมื่อรู้ว่ามันจะแตกกระดับแล้ว เยียวยาไม่ไหวแล้วนี่ดวงจิตนี่มันก็เสียใจแล้วอะไรไม่อยากตายจากโลคนี้ไม่อยากพัดภาคจากของรักของรักของชอบใจต่างๆนี่มันก็จิตใจก็เศร้าโศกแล้วหรือกลัวต่ออำนาจแห่งความตายก็สะดุ้งอยู่เลย พ อ, อนึกตัวว่าตัวจะตายแล้วมันก่อนนึกสะดุ้งวากลัวแล้วกลัวอะไรไม่เท่ากับกลัวตายกลัวตายนี่แหละเป็นยอดแห่งความกลัวทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องภาวนาความตายบ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนนะถ้าไม่พิจารณานึกถึงความตายบ่อย เวลาความตายมันมาถึงเข้าจริงๆมันก็สะดุ้งหวาดกลัวแล้วแับ น, นี้ตกอกตกใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้เจริญสมถมวิปัสสนาทั้งหลายจึงไม่ควรละเลยเรื่องการนึกถึงความตายนึกเพ่งพิจารณาทีแรก เกิดความสังเวชสลดใจในความตายเราประคองจิตอ น, นั้นไว้ความสังเวชสลดอันระ ง, งับลงเมื่อกจิตก็เป็นสมาธิมเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็เพ่งพิจารณ า, าร่างกายอนนี้มันก็เห็นจต่เป็นเพียงว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้น ประชุมกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมนำจิตนี้มาอาศัยนะรูปกายอันนี้อยู่จึงได้เกิดเป็นนามเป็นรูปขึ้นมา <c oughs> เมื่อบุญบาปที่มันว่าตกแต่งรูปนามนี้ให้หมดลงเมื่อใดรูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแตกดับทำลายลงเมื่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้มันจึงมองเห็นได้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายคำว่าตายสมมติเอาเฉยๆถ้าถ้าพูดให้ตรงตามความเป็นจริงแล้วหมายความว่าธาตุสี่ขันห้านี่มันกำลังจะแตกกระดับอยู่มันไม่มีบุคคลจะแตกกระดับ เมื่อวิปัสนาบางเกิดขึ้นแล้วมันก็ลบสมมุติั่านทิ้งออกไปสมมุติที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลนั่นน่ะแล้วก็ลบทิ้งออกไปอย่างนี้แหละเมื่อมันมองเห็นจะเป็นแต่เพียงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่เสรยมกำลังแกแตกแกระดับ เช่นนี้มันก็ไม่สะดุ้งตกใจกลัวอะไรเนี่ยก็มันมันเป็นแต่เพียงธาตุดินนี่ธาตุน้ำไฟลมมันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันไม่ใช่เราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห่านี่ ความรู้โดยความเป็นจริงอย่างนี้เลยเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แลวท่านจึงได้บรรลุโสดาบันหมายความว่าจิตตกไปในกระแสแห่งพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานโดยแท้ แต่ฮหตกไปในกระแสแห่งพันิพานณเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตกไปในกระแสพันิพานแล้วไม่มีทางที่มันจะหมุนเวียนไปหาที่เกิดอื่นๆจะไปหมายจะไปสู่ทุกขติแล้วไม่มีมันเป็นอย่างนั้น มีแต่จะบำเพ็ญเจริญธรรมะอิวัสสนาหรือว่าบำเพ็ญบุญกุศลล้วนๆอย่างเดียวบาปไม่มีบาปไม่พระโสดาบันไม่ทำบาปเลยทั้งหน่าทำแต่บุญกุศลเจริญภาวนาทำอินทรีย์ให้แก่กล้าไปโดยลำดับนี่ ท่านไม่หวนไปกลับไปทำบาปอีกแล้วพระโสดาบันจะไปฆ่าจัดไปลักทรัพย์สมบัติผื้อว่าเป็นของตนก็ดีไปเล่นชู้จากเมียจากหัวอะไรก็ดีติใช้กล่าวว่าจา้าโกหกหพูดสอเสียดพูดคำหยาบด่าพ่อร่อแม่ผู้อื่น ด, ด่าโคตรด่าวงอะไรหมดนี่ ไม่มีพระโสดาบันท่านจะไม่พูดอย่างนั้นเลยพูดโกหกอย่างนี้ก็ไม่มีมพระโสดาบันท่านจะไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนท่านมองเห็นแลว้วสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นไม่มีคุณเลย เห็นด้วยปัญญาอันยิง่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ทรงบรญยัติธรรมไว้อพระโสราบันท่านเห็นตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาอันยิง่งเหตุตั้งนั้นท่านจึงละบาปเหล่านี้ได้เด็ดขาดไปเลยดังนั้นน่ะพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อได้ฟังอุบายธรรมะนี่แล้วก็พึ่งพากันจดจำเอาอุบายธรรมะเหล่านี้ให้ได้แล้วก็เจริญสมถาะวิปัสสนาโดยยกเอาปัจจัยของชีวิตนี่มาพิจารณาดังที่แสดงให้ฟังมานี่แหละให้มันรู้มันเข้าใจ อวิชาก็ไม่รู้นี่แหละเป็นตัวสำคัญพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญปัจจัยการสิบสองนี่สอนให้เจริญโดยอนุโลมปฏิโลมอนุโลมนั้นคือพิจารณาไปโดยลำดับเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงนี้ไปเกิดเป็นสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงได้เกิดเป็นวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงให้บังเกิดอายตนะภายในภายนอก คืออยายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิน้นกายใจอยายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมรมนี่ทีนี้อยายตนะนี่ทั้งสองหมวดนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นปัจจัยวังเกิดสัมผัสนี่ เสนีสัมผัสนี่เมื่อมันสัมผัสกันเข้าแล้วมันทําให้เกิดปัญญาความรู้ขึ้นมารวมทำสามประการนี้เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้องเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าร้อนจัดหนาวจัดรู้สึกว่าเจ็บมากปวดมาก อะไรมนี้นะขึ้นนี่แหละสัมผัสต่วเนี่ยเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเนี่ยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงให้บงังเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงให้บังเกิดพบเส่นไปเกิดนรก ไปเกิดสวรรค์อย่างนี้นะเกิดภพมโรคนเนี่ยท่านเรียกว่าภพอันนี้นะเพราะภพบมีบุคคลยังยังค้นจากภพไปไม่ได้เมื่อหมดบุญหมดกรรมในภพนั้นแล้วอ๋ก็จิตวิญญาณนี่ก็ไปเที่ยวเล่ไปหาเกิดใหม่อีก ท่านก็บัญญัติว่าชาติได้แก่มาเกิดในโลกนี้แหละมาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เรื่อยช้านบ้างเท่าที่ปรากฏอยู่ที่เรามองเห็นด้วยตานี่นะแต่พวกที่มองเห็นด้วยตาไม่ได้นั้นก็มีอย่าง พวกลุคเทวดาภูมิมากเทวดาอาศัยอยู่ตามสถานที่ต่งตางๆอาศัยอยู่ตามต้นไม้โมเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะตาทิพย์ไม่มีมีแต่ท่านผู้มีตาทิพย์เท่า น, นั้นแหละมองได้มีหูทิพย์ก็ได้ยินเสียงพวกเรานี่พูดได้เป็นอย่างงั้นนั่นนีนเน่เรียกว่าชาติ เมื่อชาติความเกิดมีแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็มีก็มีร่างกายอันนี้มาแล้วนะมันก็จำรูดทุดโทมลงไปนี่นานไปนานไปเราเรียกว่าชราความแก่เมื่อร่างกายจำรุดทุดโทมไวล้วโลครคภัยก็เบียดเบียนเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างอืม เป็นไข้หนาวมากบัางร้อนมากบังไอ้โมนี้เป็นต้นเรียวกว่าความเจ็บหรือความป่วยไข้เมื่อหมอช่วยไม่ไหวรักษาไม่ไหวแล้วก็เป็นอันว่าจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างนี้มัน ้าตทั้งสี่มันไม่ปองดองสามัคคีกันมันแตกสามัคคีแล้วอย่างนี้นะจิตนี้จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนทำปัจจุบันเนี่ยมันเป็นงานหาชนะรองรับไปบ้นี่อันเนี้ย เอาไปหาเกิดอีในพบน้อยพบใหญ่อีท่านผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วท่านผู้ละตัณหาความอยากหมดสิ้นไปโดูการทั้งพวงแล้วท่านก็ไม่ไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอีกกหมายถึงดวงกิจดวงนี้เลยเมื่อมนละความอยากความปัตนาอะไรหมดสิ้นลงแล้วในปัจจุบันนี้นะ มันหมดเหตุปัจจัยที่จะนําไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่านิพพานแปลว่าดับดับจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดับจากความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันดับจากความโลภความโกรธความหลง ดับจากราคะโทสะโมหะดับมดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นเองรูปก็ดับไปจากจิตนี้นามธรรมก็ดับไปนี่จิตนี้จึงถึงซึ่งเป็นเอกเอกเป็นเอ ก, เ ป, เ, อกเป็นหนึ่งไม่มีสอง ความอยากอะไรจะไปครอบงามจิตอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยจิตของพระอรหันต์ท่านยังไม่อยากอะไรไม่อยากได้อะไรเลยในโลกนี้อาศัยก็สักว่าแต่อาศัยอยู่เท่านั้นร่างกายอันนี้แต่พระพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าไม่ได้ถือว่าของตัวของตนนี่ แต่กรงกันข้ามกับคนธรรมดาสามัญก็ถือว่ากายเราตัวเราอยู่อย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นนะ่ะเมื่อเวลามันวิบัติลงจึงเป็นทุกดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะ่ะเนื่องจากว่ามันสำคัญว่าเป็นของเรามันยึดปันถือมันเสียดายอะไรอืม ถ้ามันวิปัสสไปรู้ว่าตัวจะตายก็ตกใจสะดุ้งหวาดกลัวมันถึงได้เป็นทุกข์ส่วนท่านผู้สิ้นอุปท า, านความยึดถือแล้วจิตของท่านปล่อยวางขันหานี้ได้เรียบร้อยแล้วท่านไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเลยแล้วท่านก็ไม่เสียดายอะไรอะไรทั้งหมดในรูปในนามอันเนี้ย แม้สมบัติสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอกก็จิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเห็นแจ้งกระจั์แล้วนี้ทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงว่ามีก็เหมือนกับไม่มีแหละสมบัติที่แสวงหามาในโลกอันนี้นะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายนะมีก็เหมือนไม่มี พอจิตไม่ยึดถือเอามันพุทธศาสนิาชนทั้งหลายพยายามทําใจอย่างนี้แหละพยายามฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นอย่างว่านี่แหละให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่ามีเหมือนไม่มีออืไม่มีเหมือนมีอย่างนี้นะทําไมจึงว่าอย่างนั้น ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจเราไม่ยึดถือไม่สําคัญเป็นของเราแต่หากได้อาศัยมันอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามีเหมือนไม่มี น, นั่นแหละไม่มีก็เหมือนมีจะว่าไม่มีเสียเลยก็ไม่ได้มันมีอยู่นี่ร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่จิตก็อาศัยอยู่อย่างนี้นะอืมนั่นแหละแต่ว่าจิตไม่ยึดถือ ตรงที่ไม่ยึดถือที่ปล่อยวางตามสภาพนี่แหละท่านถือว่ามีเหมือนไม่มีนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีผู้ยึดถือว่าเป็นของเราของเขาของตัวของตนอย่างนั้นเมื่อทำใจได้อย่างนี้ใจก็ไม่เป็นทุกข์เลยเพราะเหตุว่า มันไม่ได้เสียใจดีใจอะไรกับขันห้านี่เวลาขันหน้ามันควนปันมันจะแตกจะดับจิตทนี่ก็วางเฉยอยู่ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวากรัวต่อไยคือความตายพอรู้ชัดว่าไม่มีใครตายไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตาย รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคนใดไม่อบรมปัญญาอันยิ่งให้เกิดขึ้นนี่มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่า ม, มีคนตายมีแต่เห็นว่าเรากำลังจะตายอยู่อย่างนี้แหละ เรากำลังจะตายพักๆจากลูกจากเมียจากทั๋วจากเข้าของเงินทองบ้านช่องของรักของชอบใจต่างๆเห็นทีที่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีได้ฝึกตนมาอย่างช่ำชอง แล้วอย่างนี้มันก็ไม่วิตกอย่างนั้นเลยที่นั่นแหละวิปัสสนานะปัญญาความรู้แจ้งนะมันจึงเป็นธรรมเครื่องประกันจิตใจนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เกือดร้อนเลยเ่งั้นถึงว่าอย่างไรเราบำเพ็ญไปถึงที่สุดยังไม่ได้ แต่เราก็ดําเนินตามทางนี้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าไม่ดําเนินไปตามทางนี้พ้นทุกข์ไปได้เลยจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้กี่พกกี่ชาติก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไม่มาบำเพ็ญทางกิจใจอย่างว่านี้นะเออถ้าผู้ใดมีศรัทธาแรงกล้าตั้งอกตั้งใจ จเจริญธรรมะวิปัสสนาพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นน่ะนั่นแหละชื่อใกล้ต่อหนทางคนทุกขไปเรื่อยๆไปไมนอย่างนั้นเมื่อเราจเจริญปัญญาบ่อยๆเข้าไป มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเวลามันวิบัติมามันก็อดทนได้อดได้ทนได้ไม่ใช่ว่าพอรู้แจ้งแล้วนี่มันจะไม่มีทุกมาถูกต้องมาสัมผัสกับจิตนี้เลยอย่างนี้ไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่แม้จะรู้เท่าปัญญาก็ตามมันก็ยังมีทุกมาสัมผัสอยู่นั่นเอง รู้จักทุกรู้จักสุขอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตมันไม่วันไหวเท่านั้นเองนะเพราะสิ่งที่มาสัมผัสนั้นมันรู้ชัดเราไม่ใช่ของเราไม่ไม่ใช่ตัวตนของเรามันมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่ตามเรื่องของมันร้อนก็ดีเย็นวกว็ดีเจ็บก็ดีปวดกว็ดี ไอ้เรื่องที่เรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีที่บคุคคลอื่นหยิบยื่นมาให้เช่นเสียงด่าเสียงทอต่างๆเสียงตำหนิติเ ต, ตียนเสียงสรรเสริญเยิ น, ย, นยอต่างๆหมู่นี้นะมันก็ล่วนตั้งแต่เป็นสภาวิธีสภาวธรรมมีเกิดแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยจิตมันรู้ชัดตามจริงอย่างนี้แล้วมันจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่เลยสำคัญว่าเขาด่าเราเขาสรรเสริญเยินยอเราเขายกโทษติเยียนเราอะไรพวกนี้มันไม่วิตกแล้วจิตนไม่ว่าพามันเห็นแจ้งเราว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราอะไร ไม่มีเขาด่าเราเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีไม่มีทำไมมันยังไม่มีเสียงด่ามาก็มันเป็นสภาวธรรมอันมีอยู่ประจำโลกอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันมีอยู่ในโลกอันนี้นะ่ะเมื่อมันมีอยู่เนี่ย ไอ้ดวงจิตดรงเนี้ยมันไม่รู้เท่ามันไม่ปรองไม่วางมันยึดถือมันเป็นตัวกรรมตัวกรรมนั่นแหละนําดวงจิตมาเกิดอีกมาอาศัยโลกอันนี้อยู่อีกอย่างนี้เหตุนั้นมันจึงได้พบกับดีกับชั่วกับสุขกับทุกข์อะไรอยู่ในโลกอันนี้นะก็โลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ดวงจิตนี้ไม่รู้แจ้งแล้วก็มาเกิดกับมัน เช่นนี้แล้วก็จะไปโทษโลกอันนี้ได้อย่างไรแล้วก็มันต้องเป็นอยู่เนี่ยโลกอันนี้เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้และด ว, วงจิตเนี่ยเมื่อไม่รู้เท้ามาเกิดอาศัยอยู่กับรูป ก, กับนากับวัตถุต่างๆในโลกอันนี้นะอัน ผู้ไม่รู้นั่นเนี่ยผู้ไม่รู้ความจริงอย่างว่านี่มันจึงเดือดร้อนเมื่อเขาสรรเสริญโยนยอมากดีอกดีใจปลื้มใจแต่เมื่อเขาติดชินนินทายกโทษมาเอา้าก็เสียใจไม่พอใจโกรธ แล้วก็ยึดถือเอาความโกรธนั้นไว้ก็เป็นเหตุให้ได้ไปเบียดเบียนตอบกันอีกเมื่อมันยึดถือเอาไว้นะ่ะต่างคนต่างตอบแทนแก้แค้นกันอยู่อย่างนั้นกรรมเวรนี่มันก็เลยผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นล อ, องคิดดู เป็นอย่างนี้แหละปัจจัยของชีวิตนี่นะทีถ้ า, ากว่าบุคคลไม่เสียใจไม่ดีใจกับสิ่งที่มาถูกต้องนั่นเสียไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็ไม่มีทุกข์เลยไม่เดือดร้อนเลยมันเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรบานีพอมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอะไรอะไรก็ไม่มีสาระแก่นสารทุกอย่างก็ไม่มีแก่นมีสารอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็หายอยากหายหิวเลยจิตเนี้ยทำก็สักว่าแต่ทำพูดก็สักว่าแต่พูดไม่มีความหมายอะไร กินก็สักว่าแต่กินนอนก็สะกว่าเตนอนไม่ไม่มีความหมายอะไรสำหรับผู้รู้แจ้งเห็นจริงมีแต่รู้เท่าไ้ความเป็นไปของนามของรูปของสรรพสิ่งต่างๆนี้อยู่เรื่อยไปอยู่ตาม ร, รู้เท่าตลอดไปอืม อันนี้แหละท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่เป็นทุกข์ท่านจึงไม่เดือดร้อนเวลาสังขาราาา น, านามรูปอันนี้มันวิบัติแปลปวนลงเราชาวพุทธทั้งหลายก็ดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ดําเนินตามทางนี้ทีเดียวแ ล, แล้ว อย่าไปถือว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งเหลือวิสัยเราไม่สามารถจะรู้ได้ <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่นะมันจะมันไม่ลึกไม่ตื้นอะไรอนะ่ะมันก็อยู่แค่กายกับใจเท่านี้เองนะนั่นะเอาใจในี่พิจารณาร่างกายนี่นะร่างกายนี่มันก็มี รูป ก, กับนามรูปคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาหนังนามธรรมเป็นสิ่งที่รู้ด้วยจิตใจโดยเฉพาะเพราะไม่มีรูปร่างอะไรเลยรู้สึกทางใจนู่นนามธรรมมาเนี่ยเอาดวงจิตตรงนี้แหละมาพิจารนารูป ก, กับนามนี่แยกแยะออกให้มัน เป็นส่วนใครส่วนมันลองดูอ่ะเอาส่วนรูปก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของรูปก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนนามธรรมอันไม่มีรูปร่างคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์กไม่สุขของดวงจิตอันนี้เมื่อเพ่งดูแลมันก็ไม่มีอะไรคำว่าทุกข์เมื่อสมมติเอา แต่ถ้าละสมมุตินั้นออกเสียทุกข์ก็ไม่มีนี่เพราะไม่มีผู้ว่ามันจะมีทุกข์มาจะไหนอ่ะเหตุที่มันมีทุกข์นั้นเพราะมันมีผู้วิตกกระดวงจิตนี้แหละ ว, ว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บตรงนั้นเราเราปวดตรงนี้เราหนาวมากเราร้อนมากนี่ เมื่อมันมีผู้วิตกขึ้นมาอย่างนี้มันจึงมีทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีผู้วิตกวิจารณเสียอย่างนี้ก็มองเห็นตั้งแต่สังขารมันแปรปรวนไปมันทนได้ยากลําบากไปตามเรื่องของสังขารเมื่อถึงเวลามันนมันก็แตกสลายออกจากกัน ลงไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิมอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างอื่นให้เป็นธาตุนั้นแหละส่วนมากกระเหลือในธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมหายไปเหลือแต่กระดูกนั่นแหละเป็นธาตุดินให้เห็นเป็นสกีปญาณว่าคนนั้นได้มาเกิดในโลกนี้อในชาตินึงอย่างงี้นะ เมื่อยังไม่พ้นจากความเกิดนี้ตาบใดอยู่มันก็ต้องสมมุติกันว่าอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะพิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ า, นายจริงๆนะน่าเบื่อหน่ า, นายจริงๆดังนั้นอย่าไปอันนี้มัน อย่าไปยินดีอย่าไปพอใจอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันเวลามันวิบัติลงเวลามันเป็นปกติอยู่ก็นอย่าไปเพลิดเพลินลื่นเริ่งบันเทิงเพราะความลื่นเนึ่งบันเทิงนั่นแหละมันจะกลับมาให้เกิดความเศร้าใจเสียใจในภายหลัง พอไปลื่นเลินกับร่างกายสังขารอันนี้อย่างนี้นะพอร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปความลื่นเลงอันนั้นมันก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจความกับแค้นใจเกิดขึ้นมาแทนนี่แหละท่านจึงกล่าวว่าความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั่นแหละความยินดีมีอยู่ในที่ไหนความยินร้ายก็ ม, มีอยู่ในที่นั้น มันมันมีคู่กันอยู่ของโมนีนะ่ะทีนี้ถ้าถ้าเราละความยินดียินไร่เสียได้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้จิตต้องก็เป็นอุเบกขาแล้วมันก็มีความรู้สึกเป็นกลางต่อสังขาร น, นามรูปทั้งหลายมันไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้ว ถ้าฝึกใจนี่ให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมาให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วมันมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรนะทั้งนี้และทั้งนั้นอาศัยการทำความเพียรเพ่งพินิพิจารณาบ่อยๆสรุปใจความแล้วนะอันเนี้ย เราพิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งจะให้ความรู้ยิ่งเห็นจริงอันนี้มันยั่งยืนอยู่ในภายในนี่ตลอดไปยังไม่ได้ไม่ได้ต้องต้อ ง, องพิจารณาโดยอุรมณ์ปฏิโลมอย่างที่แสดงมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นนหะ พิจารณาไปพา่ณาย้อนกลับย้อนกลับมาหาอวิชชาพี่ความไม่รู้อะไรไม่รู้จิตนี่แหละไม่รู้อะนี่ถ้าจิตรู้ล่ะเป็นยังไงบะนี่ถ้าจิตมันรู้แจ้งแล้วมันก็มองเห็นแล้วว่าทุกสิ่งไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวตนเราขว อ, อยู่ในนี้ นี่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกตับลงไปเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยปฏิโลมนะถอยกลับเข้ามาหาจิตแล้วก็อยู่เท่านั้นเอแล้วก็สงบอยู่ก็รู้ทำความรู้แจ้งอยู่เป็นปกติอยู่ยนั้นตามเป็นจริงดังแสดงมา